The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 กล่าวต่อไปว่าความเห็นของข้าพเจ้าเมื่อต่างฝ่ายต่างระแวงและเตรียมหาช่องรุกรานกันและกันเช่นนี้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะแก้ได้คือรบกันให้แตกหักรู้ดีรู้ชั่วกันไปอันหมายความว่าจะต้องแพ้กันลงไปฝ่ายหนึ่งไม่เช่นนั้นก็เสียเวลาคุมเชิงกันอยู่เปล่าๆสรีหะเสนาบดียิม้มไม่ได้ฟังถ้อยคาของพีมะเสนาะ พรางกล่าวกับทนิยะว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านนายกองเกวียนผีมาเสนาผู้ช่วยของข้าพเจ้าคนนี้ถ้าปล่อยให้เป็นผู้ว่าการสิทธิ์ขาดเลือดก็คงเต็มสนามรบไปนานแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวความคิดของข้าพเจ้าเองให้ฟังต่อไปนายกองเกวียนผู้เจริญแม้ผีมาเสนาะจะมีความคิดเห็นขัดกับข้าพเจ้าบ้างแต่ก็เป็นคนดีอยู่อย่างหนึ่งคือ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและโดยเฉพาะในฐานะที่ขรพเจ้าเป็นเสนาบดีพีมะเสนาก็เชื่อฟังและร่วมมือด้วยดีตลอดมาการที่ต่างฝ่ายต่างไว้ไว้ใจกันและเตรียมสงครามอยู่นั้นรพระปเจ้าเห็นด้วยกับพีมะเสนาในข้อที่ว่าเมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสก็ยากที่จะไว้ใจได้ว่าจะไม่รุกรานโจมตีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมป้องกันบ้านเมืองไว้บ้าง ก็น่าเห็นว่าจําเป็นและดูไม่เสียหายอะไรเพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ในฐานะที่เรารับผิดชอบต่อชีวิตและความพาสุขของมนุษย์ทั้งหลายเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อม่ให้ความคิดสั้นหรือความบู่วามนําไปสู่สงครามนักรบที่ดีนั้นหาใช่เพียงว่าล้างผลาญฆ่าศึกศัตรูในสนามรบเท่านั้นไม่ เขาผู้นั้นควรจะต้องรบชนะความโลภความริษยาความเครียดแค้นตลอดจนความหลงสนุกในการรบด้วยการรบของเขาจึงจะจำกัดเขตและจำกัดเวลาว่าต้องมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงค่อยทำการรบจึงอยู่ ที่ตราบใดมนุษย์ยังมีกิเลสและโลกยังมีมนุษย์อยู่การสงครามก็คงจะมีอยู่ตราบนั้นเป็นการยากที่เราจะเอื้อมมือไปปกปักป้องกันมนุษย์ทั่วโลกไม่ให้รบ ก, กันต่างว่าเราอบรมคนรุ่นหนึ่งให้ไฟสงบได้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่แน่ว่าจะมีอายุยืนตลอดไปและคนที่ไม่รับการอบรมก็คงมีมากกว่านอกนั้นพวกที่เกิดขึ้นมาใหม่ ที่เห็นเหตุการณ์ของโลกน้อยมักพอใจทําการต่างๆตามความคึกขนองหรือความวู้่นวามชั่วแล่นก็มีอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งรับผิดชอบต่อบุคคลทั่วโลกอยู่ก็คงไม่ผิดอะไรกับการที่เราจะเอาโลกทั้งโลกขึ้นมาแบกไว้บนบ่าหรือการที่จะเจียวหญ้ามุงทุ่งทั้งทุ่งให้ร่มเย็นไม่ต้องตากแดดตากฝนกันในกองเกวียนผู้เจริญแต่เรา จะทอดอะไรว่าเมื่อมนุษย์มีกิเลสแล้วก็ควรจะปล่อยตามเรื่องสุดแต่บุญแต่กรรมโดยไม่พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพินาศย่อยับอันเกิดแต่สงครามดังนี้ก็ไม่ควรถ้าจะเทียบ ว, ว่าเราไม่สามารถจะเกี่ยวญ้ามุงทุ่งทั้งทุ่งได้แล้วเราก็จะยอมนอนตากฝนเสียดังนี้จะถูกหรืออย่างน้อยเมื่อเรา ให้ความคุ้มครองแก่โลกทั้งโลกไม่ได้เราก็ควรพยายามอย่างที่สุดที่จะให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้อยู่ในความรับผิดชอบของเราอันเสมือนหนึ่งว่าเราพยายามมุ่งหลังคาให้ความคุ้มครองแก่คนเพียงส่วนน้อยยังดีกว่าพากันทอดอะไรไม่ทำอะไรเลยนี้แหลที่ข้าพเจ้าเห็นว่าศา ส, สนธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้านั้นถึงอย่างไร ก็ไม่ไร้ผลเพราะเมื่อเราไม่อาจช่วยมนุษย์ได้ทุกคนเราก็อาจนําศาสนธรรมนั้นมาใช้เพื่อให้ได้สันติสุขภายในขอบเขตแห่งความสามารถของเราข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความผาสุขของคนส่วนรวมพยายามทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันแล้วแม้มนุษย์ ยังจะต้องมีการรบกันบ้างตามวิสัยของผู้มีกิเลสแต่ในส่วนที่อยู่ในกรอบอำนาจหรือหน้าที่ของใครเขาก็จะพยายามระงับเรื่องร้ายต่างๆระงับความเข้าใจผิดหรือความขุ่นข้องมองใจทั้งหลายเสียด้วยประการอย่างนี้ก็จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือเป็นการตัดทอนส่วนที่ร้ายลงได้บ้าง นกองเกวียนผู้เจริญเพราะเหตุนี้ในชีวิตของข้าพเจ้ามคตกับวัตชีน่าจะยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นแต่เมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วใครจะรับผิดชอบต่อความ้าสุขของชาววัชชีนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งข้าแต่ท่านเซนาบดีทนิยะกล่าวขึ้นนับว่าเป็นมงคลแจสูดของพ ร, ระพเจ้าที่ได้มาสดับความชิดเห็นอันประกอบด้วยธรรมของท่าน ท่านนี้สมควรแท้ที่ชื่อว่าเป็นพุทธมามะกะผู้นับถือพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบต่อชาววัดชีขราพระเจ้าเองก็มีความเห็นตรงกันกับท่านแม้จันทราชนะมหาอัมมาต์แควนมคตก็มีความเห็นตรงกันข้อที่ท่านว่าในชีวิตของท่านท่านจะพยายามระ ง, งับการสงครามนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็น่าจะเป็นไปได้อย่างแท้จริง ทำวันนี้ก็ดึกแล้วข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอลากลับไปก่อนเมื่อธนิยะกล่าวดังนั้นแล้วก็ทำความเคารพสิหเสนบดีและผีมาะาเสนะซึ่งสุรเสนะก็ทําตามอย่างสิหะเสนบดีรับเคารพแล้วก็สั่งให้จัดมา้านำสองพ่อลูกไปส่งยังกองเกวียนต่อไปในวันต่อมาสิหะเสนบดีก็ได้ให้ทหารไปพาสุรเสนะ เที่ยวชมตัวเมืองตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆมีฤชวิสภาเป็นต้นแม้สะหวงห้ามที่เจ้าฤิชวิจีดกันก น, นักก น, นาแม่ผู้หนึ่งผู้ใดกล้ามกลายเข้าไปสีหเซดามบดีก็สั่งให้นายประตูคอยอนุญาตให้นายทหารพาสุรสีณเข้าไปดูได้เพียงแต่กำชับไม่ลงอาบหรือรูปตัวในสระเท่านั้นบัดนี ความรู้สึกของสิหเสนาบดีได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือใครจะได้ตัวสุรเสนะไว้อบรมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีแห่งแคว้นวัดชีแทนตนเพราะได้สังเกตเห็นอัธยาสายใจคออันดีงามซึ่งได้รับการฝึกหัดอบรมจากบิดาที่ดีตลอดจนรูปลักษณะงดงามมีสง่ากับทั้งท่วงทีเจรจาหรือสติปัญญาที่สาแดงออกมาให้ปรากฏเป็นคนสุขุมเยือกเย็น ควรไว้ใจให้ทำงานใหญ่ได้ความประสงค์ของสิหเสน บ, บดีดังนี้ก็เพื่อยังสันติสุขให้เกิดเจชา ว, วัชชียั่งยืนต่อไปอีกวันหนึ่งสิหเสนา บ, บดีได้ตามตัวสุรเสนาเข้าไปหาแล้วออกปากทาบถามชวนให้อยู่ด้วย และตนจะรับเลี้ยงไว้เป็นลูกให้ได้เจริญในราชการของแคว้นวัดชีไม่ต้องร่นเร่พาเนจรไปตามวิสัยของคนค้าต่อไปสุราศินะก้มลงกราบแสดงความรู้สึกขอบพระคุณอย่างสูงแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวของท่านบิดาและเป็นหนี้บุญคุณท่านมาแต่น้อยจนบัดนี้แม้จะยากจนเขินใจอย่างไรก็ยังยินดีอยู่รับใช้ท่าน จนกว่าจะถึงที่สุดอีกประการหนึ่งท่านบิดาก็มีความรักใคร่เอ็นดูพ ร, ระพเจ้าประหนึ่งดวงใจของท่านถ้าพ ร, ระพเจ้าเห็นจากตาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานทิ้งท่านให้เร่ร่อนไปเดียวดายท่านจะรู้สึกว่าเวาอะไสักเพียงไรและพ ร, ระพเจ้าก็มีใจไม่แข็งพอจะปล่อยให้ท่านประสจากผู้อุปถากบํารุงได้ด้วยเหตุนี้ แม้พ ร, ระพเจ้าจะรู้สึกในเมตตากรุณาคุณของท่านอย่างสูงพ ร, ระพเจ้าจำต้องขอปฏิเสธความปรารถนาดีทั้งนี้ดูก่อนสุรเสนะถ้าอย่างนั้นจงไปบอกทนิยะให้มาณที่นี้ในเย็นวันนี้สิหเสนาบดีไม่ละความพยายามในเย็นวันนั้นทนิยะ ผู้วางมือเสร็จจากการควบคุมการค้าของขบวนเกวียนก็ร่วมทางกับสุรเสนาไปยังบ้านของสีหเสนาบดีด้วยม้าของตนสีหเสนาบดีต้อนรับอย่างสนสนมคุ้นเคยแล้วจึงกล่าวกะธนิยะว่านายกองเกวียนผู้เจริญเมื่อคำนึงถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ช่วยค้มครองชีวิตของมนุษย์เป็นจำนวนมากแล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าสุรเสนบุตรของท่าน เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้อยู่ช่วยข้าพเจ้าทางานนี้และเป็นตัวแทนในการต่อไปแต่สุรเสนะมีความพักดีกะตัญยูกะตะเวทีในตัวท่านเป็นอย่างยิ่งปรารถนาจะรับใช้ท่านตลอดไปข้าพเจ้านั้นเพ่งเล็งแต่ในทางที่จะยังความรับผิดชอบอันอยู่บนบ่าของข้าพเจ้าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมากจึงเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือ ชวนท่านไว้ทั้งบิดาและบุตรเฉพาะตัวท่านจะได้เป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้าหรือลิชวิสภาทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้มีความรังเกยียจอย่างไรเลยจะพยายามส่งเสริมฐานะของท่านให้เจริญขึ้นอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องบุก ป, ป่าฝ่าดงอีกต่อไปส่วนสุรเสนาข้าพเจ้าจะให้รับการฝึกงานอยู่กับข้าพเจ้าและมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบแทนข้าพเจ้าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าได้เห็นท่านทั้งสองเป็นผู้มีธรรมะในใจเป็นผู้สมที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมะอยู่ในที่ใดก็เป็นที่หวังได้ว่าที่นั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขข้าพเจ้าหวังว่าท่านเข็นประโยชน์จะส่วนรวมในการตัดสินใจครั้งนี้ แสดงความขอบคุณสิห์ศรนาบดีแล้วกล่าวว่าท่านเสนา บ, บดีผู้เจริญถ้อยคำของท่านย่อมสำแดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงมุ่งสารติสุขแจกมหาชนทั่วหน้าทั้งไม่จีดกันใครๆปรารถนาแต่จะให้เกิดประโยชน์สุขทั่วไปโดยส่วนเดียวดังนี้จึงนับว่าท่านได้ทำหน้าที่สมเป็นผู้วังความผาสุขของชาววัชชีไว้บนบ่าโดยแท้ ถ้าบุคคลทั้งหลายรู้จักหน้าที่และรู้จักรับผิด ช, ชอบดังที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่แล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะแผ่คลุมไปทั่วปทพีดลข้าพเจ้าขอนอมน้อมสำแดงความนิยมในน้ำใจของท่านเป็นพิเศษท่านเสนาบดีผู้เจริญถ้าเป็นสมัยอื่นที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ปักใจแน่วแน่ว่ววาจะกรองชีพอย่างเป็นสระจะเป็นคนค้า ท่องเที่ยวในแดนต่างๆแม้จะลำบากบ้างในระหว่างทางแต่ก็จะอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตแห่งอาชีพเป็นเครื่องประคองใจให้ผาสุขจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของแควนใดๆและจะหาความสุขอย่างเป็นอิสระดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็คงจะรับคำเชิญของท่านเป็นแน่แท้อันที่จริงนั้นถ้าข้าพเจ้าจะรับคำเชิญก็คงจะได้อยู่ในแควนมคตมานานแล้วเพราะจันทรายณนะ สหายของข้าพเจ้าก็แค้นได้ด้วยประการต่างๆหลายครั้งหลายหนยิ่งกว่านั้นถ้าท่านจะได้ทราบประวัติความเป็นมาแต่หลังของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้วางมือมาเองจากเรื่องการปกครองหรือการเมืองแล้วท่านก็คงจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของข้าพเจ้ามาตัต้นนั้นเป็นข้อที่ควรเห็นใจอยู่แต่ประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้านั้นก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ระหว่างข้าพเจ้า กับสุรสีณผู้เป็นบุตรว่าเราได้ตัดสินใจมาดำเนินชีวิตอย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าสองพ่อลูกจึงพอใจจะเป็นคนค้าต่อไปอันที่จริงถ้ามองในทางหนึ่งคนค้าที่ตั้งอยู่ในสุจริต ธ, ธรรมก็ชื่อว่าช่วยอำนวยความสะดวกแก่โลกอยู่ไม่ใช่น้อยในการที่ให้บุคคลทั้งหลายได้อาศัยเสื้อผ้าและวัตถุที่จาเป็นอย่างอื่น ด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นอันว่าถ้าใครมีอาชีพอะไรทำหน้าที่อะไรถ้าต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีส่วนช่วยทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยกันทั้งสิน้นฉะนั้นบนบ่าใครมีภาระอะไรขอให้ผู้นั้นจัดการกับสิ่งที่ตนแบกไว้ให้เรียบร้อยดีก็นับว่ายัางประโยชน์ให้สาเร็จถึงอย่างไรครัพระเจ้าก็จะเว้นการแสดงความสานึก ในพระคุณของท่านเสียไม่ได้ในการที่ท่านมีเมตตากรุณาต่อรพราพะเจ้าสองพ่อลูกและมีความปรารถนาดีต่อมหาชนส่วนรวมสีหเสน บ, บดีเห็นทนิยะยืนยันเจตนาแข็งขันอยู่อย่างนั้นก็จำต้องปล่อยให้สองพ่อลูกลากลับไป